ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องวัตถุประมาสูตรคือพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับผ้าอันเป็นข้อความในตอนต้นที่พรเจ้าทรงยกตัวอย่างว่าเวลาคนย้อมผ้าเนี่ยถ้าผ้ามันไม่สะอาด จอมแล้วสีก็จะกระดํากระด่างไม่สวยงามเพรา ะ, ะเหมือนกับจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าจิตคุณมัวท้ามองแล้วก็หวังได้ว่าจะต้องไปบังเกิดในทุกติในขณะเดียวกันถ้าผ้านั้นซักมาสะอาดเรียบร้อยจะย้อมลงในสีอะไรก็ตามก็จะติดสนิท ด, ดีสวยงาม จิตใจของบุคคลก็เหมือนกัน้ากว่าจิตไม่สมองแล้วตายไปก็จะบังเกิดในสุคติจากนั้นก็ทรงแสดงเหตุให้จิตสศมองก็คืออุปกิเลสิภพได้แก่อภิชาวิสมะโลภะความเพ่งเล็งโลภอยากได้ไม่สม่ำเสมอ พยาบาทความมาคาดพยาบาทโกธะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่ประลาสะกันตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความสนีมายาความเจ้าเล่ยเสยแสร้งสาเธยะโอ้อวดธรรมพะดื้อดึ ง, ดงสายลำพระแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะจารดูหมินบุคคลอื่น แล้วก็มาทะก็คือหมดเมาแล้วก็ประมาทก็สามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้ชัดว่าอุปกิเล์ทั้งสิบหกเนี่ยเป็นทำเครื่องเศร้ามองของจิต ด, ด้วยการด้วยประการชนีก็ย่อมละอุปกิเล์ทั้งสิบหก อันเป็นธรรมเครื่องสามองจิตเสียแล้วก็ส่งเน้นย้ำว่าเน้นย้ำว่าภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุรู้ชัดว่าอุปกิเลตทั้งสิบหกเนี่ยเป็นธรรมเครื่องสศ้ามองของจิตโดยประการทนี้แล้วก็จะละอุปกิเลสิบหกอันเป็นธรรมเครื่องสามองจิตในการนั้นเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธ ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังทรงเป็นพระราหารันสมาสมุทโทสัสรุดีสัุรุชอบโดยปรุงเองวิชาจรณสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาและจรณาสุขโตสเสด็จไปดีแล้วโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตรโบรบภิสธรรมสาระิีเป็นสาระีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มี สารทีอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพระกวาเป็นผู้จำเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกแจกจ่า ย, ายธรรมและทรงประกอบด้วยพระธรรมจากนั้นก็จะแสดงความเลื่อมใสในพระธรรม ตามนัยยที่เราสูตรกันคือสวากขาโตภควตาธรรมโมก็บอกว่าตั้งแต่นน้นแหละพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสักดีแล้วอ่านผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเชิญชวนชักชวนให้มาดูมาชมมาศึกษา แล้วก็ควรจะน้อมนํามาในตนมาน้อมนํามาในตนแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ผลด้วยใจเขาเรียกว่าปัจจะตังวีดิตะโบวินยูหิตจากนั้นความเลื่อมใสก็จะปรากฏในพระสงฆ์เพราะว่าการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่เราเริ่มจากพระพุทธก่อนพระธรรมก่อนพระสงฆ์งก่อนไม่แปลกแต่เวไนในที่สุดจะเลื่อมใสทั้งหมด ถ้าเราเทียบคล้ายๆกับเราเรารักเพื่อนหรือเรานับถือพ่อของเพื่อนก่อนก็ในที่สุดก็รักแม่เพื่อนรักเพื่อนหรือว่าเรารักเพื่อนอในที่สุดเราก็ไปนับถือพ่อนับถือแม่ของเพื่อนเพราะว่าคนทั้งสามก็เกี่ยวข้องกันพราะนัยก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเกี่ยวข้องกันต่างกันแต่ชื่อแต่ว่าเหมือนกันโดยเนื้อหาสาระ เหมือนเมื่อเกิดสัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมต่อไปก็เป็นเรื่องประสงค์ตามนัยะของพระสังฆคุณอย่างที่เราสูดสังเสือนี่แหละสุปฏิโปโนพระกว่าโตสาวกสังโคป ร, ระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควร นี่คือใครคือคู่แห่งบุรุษสีบุรุษบุคคล8เป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าก็เพราะเหตุนี้กิเลสนั้นๆอันภิกษุนั้นละได้แล้วขายแล้ว ปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดย่อมได้ความรู้แจ้งธรรมย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเราเป็นในพระธรรมในพระสงฆ์และเพราะกิเลสนันนน้นเราสละได้แล้ว ขายแล้วปล่อยแล้วสละแล้วสละคืนแล้วดังนี้เมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นในใจเนี่ยกายก็ย่อมสงบเติมมีกายสงบย่อมก็ได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นขนาดไหนตั้งมั่นขนาดสมาธิขนาดชาติตายไปก็บังเกิดในภพมนโลกตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็ตายด้วยจิตที่เป็นบุญเ ป, เ, ปเป็นกุศลอย่างนั้นตายแล้วก็จะบังเกิดในสุปติรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่นแลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันวินาบาตข้าวสาลีปราศจากเมด็ดดำมีแกงกับ มีชนน้อยการฉันวินทาบาทของพิสูจน์นั้นก็ไม่มีอันตรายเลยคือการฉันอาหารที่พระบินตาบาทได้มาเนี่ยนะหรือว่าญาติโยมถวายอะไรก็ได้แล้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการประพฤติปฏิบัติตนของพระรูปนั้นถ้าหากว่าท่านบุกคร่องในศีลอยู่ก็เรียกว่าเป็นการบริโภค อย่างเป็นหนี้อย่างเป็นลูกหนี้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านประพฤติปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็บริโภคในฐานะเป็นเจ้าของขนาดนั้นจริงๆก็คงเปิดพระหันแล้วผลส่วนใหญ่ก็มีหนี้กันอยู่มากบ้างน้อยบ้างจึงก็ต้องบำเพ็ญวัดปฏิบตัติต่างๆ มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่มีอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแก่การที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงดูผความส้นนึก ค, คุณชาวบ้านเนี่ยพระต้องมีแต่ในขณะเดียวกันโยมก็ต้องมีเพราะสม น, นึกว่าพระได้ช่วยชีย้แนะอนทางให้ เกิในสิ่งที่พระธรรมคุณูปการให้ชาวบ้านก็ต้องสนับสกุนกันอยู่แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านมีคุณูปการต่อพระพระก็ต้องสนับสกุนกันอยู่การอยู่ร่วมกันเจริกลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวใจซึ่งกันและกันมีการสงเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของมีการสงเคราะห์กันด้วยธรรมการปฏิบัติเกื้อกูลกันมาอย่างเนี้ยทําให้ พระพุทธศาสนาก็สืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบันเราก็รับสั่งย้อนไปที่เดิมนะฮะว่าผ้าอันเศ้าหมองมนทินจับอาศัยน้ำอันใสซึ่งเป็นผ้าหมดจดผ่องใสอีกอย่างหนึ่งทองคำอาศัยเบ้าหลอมที่ทำทองให้บริสุทธ จึงเป็นทองบริสุทธิ์ปองใสฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันมินทบาที่รู้ราอ ย, ย่างไงก็ตามกันฉันอย่างนั้นไม่มีอันตรายสาหรับภิกษุนั้นเพราะว่าบริโภคในฐานะชี่เป็นอะไรละอาหุนโยปาหุไนโยะ อาหุนโยแปล ว, ว่าเป็นผู้ที่ควรแก่ของคํานับคือหมายความว่าชาวบ้านนําของไปถวายพระปาหุนโยหมายความว่าพระมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านชาวบ้านก็ถือว่าเป็นแขกของชาวบ้านชาวบ้านก็ให้การต้อนรับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทีนี้จากนั้นเนี่ย พิสูจจะต้องอาศัยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศทั้งปวงทั้งเมตตากรุณามุทิตาเบกขานะฮะแผ่ไปในทิศทั้งปวงเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นสัตว์หลายอยู่ร่วมกันโดยความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกัน ให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสามควรแก่ฐานะของตนเวลาเขาเกิดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ขจัดถูกปกิเลสประเภทโกรธเนี่ประเภทพยาาบาทความโกรธความผูกโกรธออกไปจากกิจใจจะน้อยก็ให้เจื้จางเบาบางลงไปตามลำดับตามกำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้ กรุณานั้นมีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์ปรารถนาที่จะเห็นสัตว์ไ ป, ปชีวิตเนี่ยที่ประสบความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์แตแน่นอนมันไม่ได้เกิดด้วยความปรารถนาของเราหรอกแต่อย่างน้อยเรารู้สึกกรุณาต่อเขาใจเราก็สงบใจเราก็เย็นและถ้ากรุณาร่วมกันได้เป็นจํานวนมาก ผลสำเร็จก็อาจจะเกิดขึ้นคือคนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆเมื่อกรุณามันเกิดเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่กระจัดวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนเมื่อเราไม่คิดเบียดเบียนมันก็ไม่ทําเบียดเบียนไม่พูดเบียดเบียนแล้วก็สามารถคขจัด รีกว่าโศกจิตคือจิตที่เศร้าโศกเวลาเห็นคนอื่นประสบความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือญาติพี่น้องของเราประสบความทุกข์เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเสียดายโมติตานั้นมีสัตว์ที่ประสบลาบยศทันเสริญสุขเป็นอารมณ์ คือประสบสิ่งที่ดีก็แล้วกันนะฮะประรบการประสบสิ่งที่ดีของคนเ่านั้นซึ่งตามปกติแล้วคนเราจะรู้สึกริษยาแต่เมื่อจิตที่ประกอบโดยมิติตาได้จริงๆมันจะไม่ริษยาแต่จะรู้สึกชื่นชมยินดีในผลดีงามเหล่านั้นที่คนเขาได้แล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาดารงอยู่อย่างนั้น ยั่งยืนเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกุเบกขานั้นเมื่อขจัดเมือม่อเมือม่อเมื่อที่ตาเมืม่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่ขจัดฤทธิ์สยาออกไปจนถึงกขจัดความโลภที่ต้องการมีส่วนร่วมส่วนแบ่งออกไปประการต่อไปก็คือเบกขาแปรไปปรารถนา ที่จะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมของตัวเองถ้าเรามีกรรมเป็นของของนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทิพ พ, พึ่งอาศัยใครทากรรมมาไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นและเมื่อแผ่ไปอย่างนี้ในทิศั้งกวงเนี่ย ก็จะทำให้จิตใจเข้าถึงความธรรมะเนี่ยปริมาณของธรรมะมันก็เรียกว่าไพยบูรณ์คือสมบูรณ์เป็นมหาคตาคือจะเป็นใหญ่เหนือพวกกิเลสประเภทต่างๆดังกล่าวแล้วนี่ยนะนเมตตาก็ขจัดกามราคะกับขจัดพยาบาทกรุณาก็ขจัดความเบียดเบียน มุติตาก็ขจัดความริษยาอุเบกขาก็ขจัดอคติเกี่ความลำเอียงคนเราถ้ามีธรรมะขนาดสี่ข้อนี้นะฮะอยู่ได้สบายแนละโลกเรานะแม้ต่ลดลงมาเป็นสีเป็นกุศลก็ บ, บทสิบหรือว่าเป็นสี่ห้าเราก็สร้างสันติภาพโลกได้แล้ว ปัญหาใหญ่ของมนุษย์มันมาจากความคิดของมนุษย์อะแต่จิตที่ตั้งไว้ถูกหรือกว่าตั้งว้ผิตแต่จิตตั้งไวผ้วไวผิดปัญหาที่ยังไม่เป็นปัญหามันก็จะเกิดปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าจิตมันตั้งไว้ชอบจะในที่สุดก็จะยุติปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันสามารถขจัดสามารถพัฒนาสามารถรักษาได้นี่ก็เป็นเป็นกฎของธรรมะคือก็เป็นอย่างนั้นเองการแผ่ไปในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นอปปมัญญาคือแผ่ไปโดยไม่จำกัดประมาณ ตามปกติแล้วก็จะสอนพระนะฮะไม่ได้สอนโยมโยมส่วนใหญ่ก็สอนระดับพรหมิหารแล้วก็แผ่ไปในที่ต่างๆจากนั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลาซามมีอยู่สิ่งที่ประนีตมีอยู่ทำเป็นเครื่องสลัดออกให้ยิ่งขึ้นแห่งผู้มีสัญญานี้มีอยู่ เมื่อเธอรู้อย่างนี้จิตก็จะหลุดพน้นจากอาศสวาอีกแหละกลามาสวาภาวาสวาอวิชาสวาให้ลองสังเกตว่าธรรมปริยายที่เรากล่าวมาถึงสูตรที่แปดที่เก้าแล้วเนี่ยก็มาพบกันที่ที่ผ่านหมดเพราะเป็นธรรมเทศนาที่แสดงเรียกว่ามีพระราหัสเป็นยอด แล้วก็ส่งแสดงแก่ภิกษุอทงค์ธรรมแต่ละข้อนี่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือข้อแรกพระสูตรแรกมูลปริยายาสูตรเนี่ยก็ไม่เอามาบรรยายเพราะว่ายากเกินไปเราจะต้องพัฒนาใจขึ้นไปอยู่ในจุดที่มีฐานจิตเป็นความสงบ แล้วก็เกิดปัญญาพินิจพิจารณาตามไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็จะเกิดความรู้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นพออาสวะมันหลุดจิตก็พ้นแล้วก็มียานผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้รู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วกิจ ท, ที่ควรทําทําเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนนี้เรากล่าวเลยว่าเป็นผู้สงสนานแล้วด้วยเครื่องสนานอันเป็นภายในเครื่องสงสนานก็เหมือนกับอาบน้ํานะฮความอากุศลธรรมเหมือนกับเหมือนกับน้ํอาอกุศลธรรมเหมือนกับสิ่งที่แปดเปื้อนทั้งหลายพอสงสนานมาก็สะอาดสะอ้านขึ้น พอดีโดยสมัยสมัยนั้นแหละศูนธริกะปริพาพาธราวชาพรามพาราวชาพรามนั่งอยู่ไม่ไกลต่อพระพูมีพระภาคจาในนี้เป็นระเด็นพระสู่ที่น่าสังเกตคือตามปกติเราไม่ค่อยพบว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุนี่มีโยมมานั่งฟังอยู่ด้วยก็แสดงว่ามีโยมมานั่งฟังอยู่ด้วย พระทรงโอวาทแก่ภิกษุนี่เวลาตอนเย็นศุนตดิกาภารราชวชาพระามเขามีฐานะดีก็เลิกงานแล้วก็คงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตันุณนี้ในการออกมาออกบวชบรรลุมักคุปเป็นพระารนะ พ, พ, พาวกพระราชว่าเาโคตเนี่ยสามสี่ท่านออกบวชหมดแล้วบรรลุมักคุปเป็นพระานทั้งหมด แต่ตอนนั้นเข้าใจว่ายังไม่ถึงประกาศตนเป็นอุบาสกเพราะท่านยังเรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านพระโคโดมอยู่การเรียกโดยพระนามต่อพระพักนี่เนยนี่เป็นการแสดงความไม่เคารพอย่างพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็เรียกในหลวงบ้างเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้าง พระอาจจะเรียกว่าหมหาพิทธราชสมภารบางแต่ไม่เรียกพระนามของพระองค์เพราะว่าพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวก็คือองค์เดียวคือพระองค์เดียวพระมาประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องออกชื่อโดยจำไม่ต้องบอกราชการแต่ถ้าเราเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องบอกออกพระนามเต็มแล้วก็บอกราชการ แต่ถ้าพูดเนี่ยเข้าไม่ออกกันนี่ก็เป็นหลักในการปฏิบัติแล้วมอวัดความรู้สึกด้วยวัดความรู้สึกท่าทีของเราที่มีต่อพระบูมีพระภาคจา้าหรือมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาจัพราหมณ์ก็นั่งอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจา้าก็กราบทูลว่า ท่านพระโกโดมจะเสด็จไปยังแม่น้ำผูกาเพื่อจะส่งสนานหรือผู้เจ้ารับสั่งว่าพรามจะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำผูกาเล่าแม่น้ำผูกาจะทําประโยชน์อะไรได้พรามก็บอกว่าแม่น้ำผูกาสนเป็นอันมากยอมรับว่าความบริสุทธิ์ได้ ให้ความบริสุทธิ์ได้แม่น้ําผูกาชนเป็นอันมากยอมรับว่าเป็นบุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันไปลอยบาปที่ตนทําแล้วในแม่น้ําผูกาก็เป็นความเชื่อคือตามปกติแล้วเขาก็เชื่อแม่น้ำํำคงคาแล้วก็ แม่น้ำยมุนานะะแม่น้ำยมุนาแม่น้ำคกงคาอยู่ข้างบนแล้วก็แม่น้ำอะไรสุรัตวดีล อ, อยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ว่าที่อยูท่ที่จุลาสีคูดะที่จุลาสีคูดเพรถือเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์แต่คนไปมาลําบากในที่สุดก็แม่น้ำก็เลยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กระจายไปทั่วอินเดียนั่นแหละ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกระปัญจักรนาทีคงคายามุนาจิรวดีสระภูมิหนนี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์พระจ้ารับสั่งว่าชนพานมีบา ป, ปรกรรมมุ่งไปยังแม่น้ำผูกาถ้าน้ำอธิกะแม่น้ำขยาแม่น้ำสุนทรีกาแม่น้ำส ร, ระวดี ถ้าปยญากะแม่น้ำผูมาดีแม่เป็นนิดคือไปทุกวันไปทุกวันก็ได้เขาก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทรีกาถ้าน้ำปยญาคะหรือแม่น้ำเผกะจะทำอะไรได้จะชำนะนรชนผู้มีเวรทำกรรมอันหยาบช้า ผู้มีการมันเป็นบาปนั้นได้นั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยสำหรับผู้บุคคลที่หมดจุดแล้วจะประสบคุณเลิกทุกเมื่อผักผักขาดคุณน่าเริกนะฮะผักาคุณเลิกสบุคคลผู้หมดจุดแล้ว รักษา โ, โสดทุกเมื่อวัดของบุคคลผู้หมดจ ด, ดแล้วมีการงานนันสะอานย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อรามท่านจงสนานในคำสอนของเรานี้เถอะหรืออาบน้ำโดยพระธรรมวไินัยจนนำความเกษรรในสัตว์ทั้งปวงเถิดก็คือมีเมตตาจิตมีมตากรุณาโ ม, มทิตาอเบคาต่อสัตว์ทั้งหลาย ถ้าท่านไม่กล่าวคำเท็จถ้าท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เป็นผู้มีความเชื่อไม่สนิทใจท่านจะต้องไปอย่างแม่น้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำในแม่น้ำขยาก็จะช่วยอะไรท่านได้อันนี้คือประเด็น ตอนนี้ไม่ได้รับสั่งใกล้แม่น้ำาูกกาหรือแม่น้ำขยาแต่ก็มีพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าเสด็จไปที่ริมฝั่งแม่น้ำผูกกาก็มีคนลงอาบน้ำกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักบวชนอกาศาสนาพูะเจ้าก็คุยแล้วสั่งถามว่า ทำไมถึงมาอาบน้ํากันที่นี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าอาบน้ําที่แม่น้ําผู ก, กาแล้วเนี่ยแม่น้ําจะล้างบาปให้ทั้งหมดปุจจารย์เราสั่งว่าหมายความว่าใครก็ตามที่ลงอาบน้ําในแม่น้ําผู ก, กาก็ต้องเป็นผู้ไม่มีบาปเขาก็บอกว่าใช่พุจจารย์เราสั่งว่าถ้าอย่างนั้น โอ้ไม่ใช่คือถ้าไม่มีบาปแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าตายแล้วก็จะบังเกิดในสุกติปุจจาว่าถ้เป็นอย่างนั้นสัตว์ที่เกิดในน้ำหมายว่าปูปูปลาเต่าอหอยอะไ ร, ต, ไรต่างต่า ง, างที่อยู่ในน้ำจะเริญเติบโตอยู่ในน้ำก็ย่อมจะเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ ถูน้ำอยู่ตลอดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาตายไปนี่สัตว์เหล่านี้ก็มีโอกาสจะไปเกิดในสวรรค์มากกว่ามนุษย์พลน่าลื่งงงเะคือไม่เคยคิดคือประเด็นบางประเด็นนี่เราไม่ได้คิดเรื่องมันเรื่องมันไม่น่าจะยุ่งมันก็คิดจะยุ่ง ปัญหาทุกอย่างมีทางออกแล้วถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจในทางมันทะลุโ ป, ป, ปร่งเลยปัญหาจะรุนแรงยังไงก็ตามนะฮะถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักใจแล้วมันทะลุโปร่งได้ไม่ทางออกแฮงใครที่บอกไว้พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้ อานนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างความเชื่อของสุ น, สนทริกะพาละทวาชาพรามก็เสนอนะพูดในทํานองเสนอให้พระพุทธเจ้าไปส่งน้ำที่แม่น้ำผูกกะพรเจ้าก็ส่งใช้วิธีที่เรียกว่าอาอัดยายซื้อขนมยายก็ให้สุนทริกะปริภา ปาัทวาชาพรามในคิดเราเองว่าความบริสุทธิ์หมดจดจริงๆที่จริงที่เราพิสูจน์ได้เนี่ยก็คือใจเราจะต้องไม่ถูกรุ่มๆุมด้วยกิเลสนั้นก็เป็นการบริสุทธิ์ระดับศีลแต่ว่าถ้าระดับธรรมะ มันจะมีความสงบเย็นมากขึ้นอาการของกิเลสก็ไม่ผาลานอะไรประวัติใจถูกปรุงด้วยธรรมะทีนี้ถ้าพัฒนาไปจถึงปัญญาก็จะเกิดความบริสุทธิ์หมดจดซึ่งเราก็เห็นได้โดยใจของเรา แม่น้ำผูกาแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรแต่อะไรที่คนไปอาบเนี่ยมาไปอยู่อินเดียสองปีกว่านะ่อยู่ใกล้แม่น้ำคงคาไปถึงวันแรกเนี่ยไปพักที่เรวะกตุติเป็นวังโบราณน้ำปริมนี่แน้ำคงคารปริมขึ้นมา คือแตะน้ําของขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราเราไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่สะอาดพอที่จะล้างหน้าล้างไหลก็ เ, เลยมาอยู่สองปีกว่าไม่เคยแตะน้ําของขาแม้บางทีเราไปอยู่ริมตะลิงดีไม่ไรแต่อไรก็ดูแม่น้ําแต่ว่าไม่ไม่เคยแตะแม้แต่เหยียดท่าลงไปก็ไม่เคยยียด เราเราก็เชื่อตามหลักล้วเนี่ยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนปัจจัยภายนอกมันไม่ทำให้ใครบริสุทธิ์ขึ้นมาได้หรอกแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าเทศ เ, เทศเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายอยากต้องฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ ผลสัมผัสนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพียงแต่ว่าสืบเรื่องมาจากการสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระหันทั้งหลายในพุทธศาสนาไม่ได้ปลุกเสกอะไรนึ่นไม่ได้ปลุกเสกให้คนมีความบริสุทธิ์หมดจดได้โดยอัตโนมัติผลหลายลวดเกิดมาจากเหตุเ ด, ดีวยวกันทั้งนั้น ดังนั้นในกรณีเหล่านี้ทำให้พระพุทธเจ้าได้ส่งยกมาตั้งหลายแห่งนะตั้งหลายท่าด้วยกันแม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยากะแม่น้ำาูกาจะทำอะไรใครได้ใกล้ๆกันเลิก่านาที ผู้เจ้าส่งแสดงว่าเลิกเป็นเรื่อเป็นไม่ใช่ก็ประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์โดนานในท้องคว้าจะทําอะไรใครได้จะรับสั่งมานานเนี่ย น, นะแต่ว่าในสังคมพูทเราก็ยังมีดูเรลิกผลานอาชีพกันอยู่ยังมี แม้แต่พระเองก็บางทีก็ยังดูหมอกันอยู่แต่ที่จะไปชี้นำโดยหลักของธรรมปฏิบัติก็ไปชี้นำในวิธีเลิกผ่านาชีปีหลวงล้วเล็กอะไรก็ว่าไปพระธรรมเทศนาข้อนี้ <c oughs> แม้จะแสดงแก่ชาวบ้านแต่ไม่ใช่แม้จะแสดงแก่ประสงค์ จนถึงจุดที่เรียกว่าบรรลุกมกคนเป็นพรานแต่ว่าจบตอนปลายเนี่ยมีนัยยะสำคัญว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากภายนอกที่เราเข้าใจว่าการดนบันดาลจาก ส, สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภายนอกแล้วเราก็ไปทุ่มเทมอบกายถวายชีวิตให้ เกิดกกับสังคมอารอยันสังคมอินเดียในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยเดนะเดี๋ยวนี้ประเทศอินเดียเนี่ยพระเจ้าอาจจะเป็นหมืนม่นหมื่นเยอะแล้วคนก็เสียเวลามาไหว้ไหว้กร า, กาบอย่างเนี้ยมาบูงสวงบูชาเทพเจ้าตี่ตนเคารพนับถอือบางคนนับถือมากก็เสียเวลาไปเยอะวันวันเนี่ยเดินทางไป แล้วก็ไปทำวิธีกรรมต่างๆแล้วเดินทางกลับเวลาทำงานมันหายไปเยอะถ้าหากว่าเราหันมาสู่ธรรมะปฏิบตัติมันก็จะเป็นอะก็อยู่ทุกท่านธรรมะอยู่ที่กายประจ้าใจมัอยู่ที่ใจใจคิดกายทำปากพูดก็ให้สุจริตก็แล้วกัน สุจริตก็จะเป็นเกราะชีคุ้มครองรักษาบุคคลเอาไว้เดจทรงแสดงเรื่องศีลเย่านศีลอย่างนี้ทำอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้ใช้สามคำคือศีลสมาธิปัญญาที่ทรงแสดงเรื่องศีลังบลังอัปปติมังศีลเป็นกำลังอันยอดเยี่ยมศีลังอาวุธมุตระมังศีลเป็นอาวุธ ถุงสุดศีลางอาภารนังเสกถังศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐสีลังกาวจะมะพุตังศีลเป็นเกราะเสียเสจันก็อยู่ที่ไห น, นก็อยู่ที่ใจเราจะเราเจตนาจะเราตั้งใจสมาทานงดเว้นตามบทปัญญาของศีลเหล่านั้นมันก็กลายเป็นอนุภาพ ที่จะนำจิตของบุคคลให้ดำเนินไปสู่ความสะอาดสงบสว่างตามกำลังของศีสมาธิปัญญาที่สามารถได้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์อย่างนี้สุนทริกะภารถตวาชัพรามก็กราบทูลสรงเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า สูตรในการสรรเสริญมันก็เหมือนกันทุกสุตข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักขาแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องประชีพในที่มืดรดอคิดว่าผู้มีจักษุ ด, ดีจกเห็นรูปดังนี้ ฉันได้พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกกรปริยายฉันนั้นเหมือนกันกศแต่พระโคดมข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสนะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาประสงฆ์บทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญ สุนทริกะปริสุนทลิกะพาลัวาชาปรามก็ได้บวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุมรคนเป็นพระอาจ์ก็เป็นพวกที่มีบารมีธรรมสูงสง่งปีเดี้การกระทาเนี่ยคือไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอันนี้คือหลักนะ ก็คือสติวิรยิยะแล้วก็สัมปชัญญะไม่ช้าอะไรก็ทำให้แจ้งด้วยซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์ความรู้ยิ่งในทิฏฐธรรมพรหมจันทร์หมายความมาเรื่องที่ควรประพฤติเนี่ก็ทำได้สมบูรณ์ต่อไปทานศีลไปต้นมาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ แล้วก็สิ่งที่ส่งบรรลุสิ่งที่ท่านบรรลุนั้นก็ไม่มีทำอื่นได้ยิ่งไปกว่าคนที่ขับมาบวชทั้งหลายก็สองการางนี้ออกจากเรือนบวชเป น, นาการนี้คือไม่มีครอบครัวโดยชอบแล้วก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมมันยันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำและทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ท่านก็เป็นพระหรัรรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาและต่อมาในเครือสายเนี้ยยังมีต่างหลายท่านนะฮะพวกพารัวาชาเขาบอกว่าเป็นพวกพราหมณ์แต่ว่าเป็นโคดที่ที่ไม่สูงเป็นโคตที่ไม่สูง ทีนี้มันก็มีประเด็นอยู่บางประเด็นที่พระเจ้าทรงแสดงแบบผ่านๆคือหมายความว่าไม่ได้อธิบายขยายความในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าภิกษุท่านความเข้าใจแล้วแม้แตพาา่พารัตวราชายพารัตวราพรามเองก็มีความเข้าใจ การที่ส่งแสดงอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีอุปมาเขาเรียกวัตถูปรมสูตรเนี่ยสูตรที่อุปมาด้วยวัฏถะคือวัฏถังวัฏถะคือผ้านะเป็นแนวการอาศัยรูปธรรมข้างนอกรูปธรรมข้างนอกเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการคิดพินิจพิจารณาของฝูฟัน พระสูตรในแนวนี้มีมีอยู่เป็นจำนวนมากที่จริงแล้วเราจะเห็นว่าก็ตั้งแต่ธรรมจักรธรรมจั ก, กรกับวัตสูตรโดยเมพิกเวอันตาปปะยิเตนานะเสวิสบะวิตตบาดูก่อนพสูตรทั้งหลายทางสองทางบุคคลไม่ควรเศษไม่ควรดำเนินเพราะทางมันเป็นตัวแทนของอริยมรรค แต่ว่าทางเนี่ยมันมีทางดีทางไม่ดีเพราะฉนั้นมันก็เป็นตัวแทนของการมาสุ่การรีการนโยบายอัตกิลามาฐานนโยบแล้วมัชชิมาปฏิปาทาทีนี้ปัญหาว่าทางใดควรเดินไม่ควรเดินก็ทรงเน้นทางที่ไม่ควรเดินแล้วก็เน้นที่สิ่งซึ่งโปรองได้ศัจสรู ทำจากสู่รทำยานทำวิชาทำแสงสวาง่างต่างๆให้เกิดขึ้นว่าเป็นทางสายกลางเป็นมัจจิมาปฏิปทาเป็นทางที่ควรแก่การดำเนินหรือบางทีอย่างเนี้ยอย่างอธิตัปยา ย, ยาสุนทุกวันวิสูต์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนเอาไฟเอาไฟมาเป็นสื่อในการสอน มันประสูตรในแนวตรงเนี้ย่บางทีก็เอาต้นไม้เอาแก่นไม้เอาน้ําเอาอะไรต่าอะไรต่างๆเป็นอุปมาอุปไมยเสียบเคียงให้เห็นก่อนมหาสาโรูปรมาสูตรอย่างนี้ยเอาเอาแก่นไม้เอาแก่นไม้มาพูดหรือว่าลักขสูตร พูดถึงการศึกษาสามประเภทการศึกษาแบบอสรพิษคือหมายความว่าศึกษาเพื่อต่อสู้เพื่อชนะข้าขารกันเพื่อตัวเองโดดเด่นดีดังแล้วก็นิสระปริยัตศึกษาเพื่ออาศัย เต้นปัจจัยทำตวในลุปพลจากความทุกข์แล้วก็ปัญธาคาริกะปริยัตศึกษาแบบขุนคลังศึกษาแบบกุนคลังเพื่อจะทำให้ตนเองรักษาพระธรรมวิ น, นัยอย่างการศึกษาของพระหารทั้งหลายเนี่ยท่านศึกษาแบบกุนคลังก็เพื่อให้ พระพูดแต่เจ้าไม่ใช่เพื่อให้รักษาพระธรรมในใจเอาไว้ตอนนั้นเป็นพระสารแล้วแต่ท่านยังเรียนนะฮะท่านยังเรียนพระปิยัติธรรมอยู่เส้นเดียวกันท็กฝา่ทงหลายเสียงธรรมจากามหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งองงามไพบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี